อ้าต่อไปนี้ขอให้ทุกคนพากันตั้งใจที่จะทําความสงบเป็นสุขไปในบื่งต้นนีทนายจะเป็นผู้นําให้ทุกคนว่าดความาพระเจ้าและถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณกาสองคุณจตาา่างมันดาคุณครูบาอาจารย์รงงานดนบันดาลในใจของข้าพเจ้าจึงรวมลงเป็นสงาธิพุุทโตธัมโมสังโฆพุตโตธัมโมสังโฆ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 นึกพุธโทให้อยู่ที่ใจเพื่อที่จะให้ใจเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งคือความเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นเอกคตารมเอกคตารมแปลว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวคือมีจิตเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่ง เกิดขึ้นได้จากการละอารมณ์ภายนอกทั้งหมดอารมณ์ภายนอกนั้นมีความนึกความคิดความนึกความคิดเรียกว่าอารมณ์เมื่อไม่มีความนึกความคิดเรียกว่าใจเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของใจนั้นคือสิ่งที่เราต้องการต้องการเพราะเหตุว่า ความเป็นหนึ่งของใจนั้นสามารถที่จะทําให้เกิดพลังจิตสามารถที่จะทําให้เกิดกําลังจิตยิ่งมีความเป็นหนึ่งได้มากเท่าไหร่กาลังจิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นองค์สมเด็จพระสุมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แต่จะรู้นั้น ก็เพราะความเป็นหนึ่งอันนี้แหละเพราะฉะนั้นในธรรมะท่านจึงแสดงว่าเอโกเอกังจิตฟังเอโกจิตโตมีจิตเป็นอันเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นความมีจิตเป็นอันเดียวนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขเราเห็นพระพุทธเจ้าจิตพระองค์นั่งอยู่แล้วก็มีนางธรณีอยู่ข้างล่างแล้วก็มีพวกพระยามานและเสนามานพวกพระยามานและเสนามานนั้นก็ขเข้ามาเพื่อที่จะทำลายพระพุทธเจ้า ปรากฏว่าในภายหลังนางธรณีได้รีดมวยผมน้ำออกจากมวยผมนางธรณีท่วมพวกมารจนกระทั่งพวกมารยอมพ่ายแพ้ข้อนี้เป็นปุถุคลาทิฐานท่านน้อมมาเป็นธรรมมาทิฐานก็คือ ก่อนแต่ที่จิตของพระองค์จะเป็นหนึ่งได้นั้นพระองค์ต้องขับเที่ยวต่อสู้กับอารมณ์สิ่งที่เรียวกว่าเป็นปริยามานฤเสนามานนั้นก็เกิดขึ้นจากอารมณ์ของพระองค์นางธรณีนั้นก็เปรียบด้วยจิตที่พระองค์มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแผ่นดินก็แปลว่าธรณี เมื่อน้ำใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินแล้วอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องสูญสลายเป็นแน่นอนที่ว่าพวกพระยามานและเสนามานนั้นคืออารมณ์ในสุดท้ายพระยามาได้แพ้แก่พระองค์แล้วก็เสียใจร้องไห้ ลูกสาวพยามานจึงถามพ่อว่าพ่อร้องไห้ทำไมพ่อก็ตอบว่าเราแพ้แกแค่สิทธะเชียแล้วลูกสาวพยามานทั้งสามคนก็รับอาสาพ่อแพ้แล้วฉันก็จะไปสู้ต่อลูกสาวพยาามอานก็มีสามคนพอดีได้ไป เพื่อที่จะประจนพระองค์ต่อไปลูกสาวของพระยมานั้นก็ชื่อว่านางตันหานางออรดีนางราคานางตัญหานางอรดีก็เป็นทางว่ชื่อก็กลงหมดนางราคาก็คือราคะนางตันหาคือความอยากนางออรดีก็คือความน่ายินดี ทั้งสามนี้เป็นลูกสาวของพญามารได้ไปจำแลงตัวเป็นสาวสวยแล้วก็ไปควนลอบตัวของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์นั้นกำหนดจิตวันลุแล้วพระองค์ก็กำหนดจิตยิ่งไม่หวั่นไหวในที่สุดลูกสาวพญามารทั้งสามนั้น ก็เป็นคนแก่หมดที่เนรมิตตัวเองเป็นสาวนั้นก็กลับกลายแก่ไปหมดอันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามายุยยวนกวนใจพระพุทธองค์นั้นก็มีพวกเราก็เช่นเดียวกันก็มีแลวว่าต้องแก้ไข แก้ไขด้วยความมั่นคงด้วยการที่มีจิตมั่นคงความมีจิตมั่นคงนั้นเป็นประการสัมพันธ์พระพุทธองค์จึงมั่นคงดุจเจื้อแผ่นดินซึ่งมีชื่อว่าธรณีพวกเราก็เช่นเดียวกันต่างก็ต้องพากันมีความมั่นคงภายในจิต ให้เป็นกระดุดเจแ่นดินเือมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์ต่างๆก็ต้องห่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ้ไปเมื่อมันแพ้แล้วมันก็กลับมาใหม่ถ้าเรายังไม่สำเร็จหมายความว่าพวกมันต่างๆนั้น มันไม่ยอมแพ้เราไม่ง่ายเมื่อเรายังมีจิตห่อนแออยู่มนันมันก็หาโอกาสเข้าทันทีเมื่อใดจิตของเรายังเข้มแข็งอยู่พวกมันก็ไม่ก็เข้าไม่ได้การต่อสู้ให้สำเร็จนั้นเราก็ได้สาเร็จมาแล้วเป็นท่านเป็นตอน ยัางเราออกจากบ้านมาพักอยู่ที่วัดก็ถือว่าเราชนะมันมาแล้วถ้าไม่ชนะเราต้องมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้การมาถึงในสถานที่นี้ถือว่าเหยียบหัวพระยามันเหยียบหัวเศรษฐามันมาเป็นแถวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงสถานแหล่งของความสงบ จิตของเรามันตก็ลายกังวลคือคลายกัง ว, วลไปตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งสมาธิจิตมันก็อยู่ที่วัดจิตก็คิดถึงแต่พุทธธรรมะสังฆะจิตก็เป็นอนุสติหรือเรียกว่าเป็นพุท ธ, ธานุสติเนี่ยเป็นเช่นนั้นทุกคนก็จะต้องมีจิตที่สงบความสงบของจิต เกิดขึ้นทุกคนเพระเหตุได้มาลงเรือลำเดียวกันเมื่อมาลงเรือลำเดียวกันคือพุธนาวาเช่นนี้ถึงอย่างไรก็ตามเราจะทําอย่างไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องได้รับผลคือความเป็นห่งของใจจนได้ความเป็นหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือความผล ความเป็นผลเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมากไม่เหมือนกันกับอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอย่างนี้ผลเกิดขึ้นง่ายก็เพราะเหตุว่าพวกมันมันถูกเราสยบซะแล้วพวกมันเมื่อถูกเราสยบแล้วเช่นนั้นการที่จะให้เกิดขึ้นทิ้งสมาธิก็เลยเป็นสิ่งที่ ไม่อยากนักจึงกลรับรองได้ว่าผู้ที่มาอยู่ในสถานที่แห่ง น, นี้ก็ได้รับผลทุกคนต่างก็ว่าจะได้รับมากรับน้อยเท่านั้นแต่ผลก็ต้องได้รับทุกคนพระสมาธิก็จะต้องเป็นทุกคนความสงบก็สงบทุกคนความสบายก็สบายทุกคน แต่จะสบายมากสบายน้อยนั้นอยู่ที่จิตจะลงลึกแค่ไหนถ้าจิตลงลึกมากคนนั้นสบายมากถ้าจิตลงยังไม่ลึกนักก็สบายแต่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามต้องถือว่าได้รับสมาธิแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานแห่งสมาธิที่เราได้พากันมาอบรมนี้ จึงเป็นพื้นฐานที่เรียกว่าธรรมะอันพิเศษหรือเรียกว่าคุณธรรมอันเลิศที่เราพากันได้รับเป็นผลเป็นประโยชน์อยู่นี้เมื่อจิตนั้นนี้เป็นขึ้นมาก็ถือว่าได้ผลเป็นปฐมฌานปฐมฌานนั้นคือวิตกวิจารป e. ิติสุคีตตาวิปก ไม่ได้ไม่จาําได้แก่การบริกรรา ร, ร, ร, รมภุทัหมืเนี่ยมรรัมภุร์ทั้งหมแล้วจิตก็เป็นเอกขตาคือเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วปีติก็เกิดขึ้นคือความอินใจความสุขก็เกิดขึ้นคือความสมบายใจพอรวมแล้วปฐมฌานก็มีองค์ห้าจากนั้น ท่านทั้งหลายจิตก็จอสูงขุ้นตามลําดับบริกรรมพุโทโธก็ไม่ต้องก็ได้เนื่ยไม่ต้องบริกรรมพุโทโธแต่ว่าจิตก็มีความเป็นหนึ่งได้เกิดความสบายได้แล้วก็เกิดปีติคือความยินใจเกิดสุขลคือความสบายแล้วผู้นั้นก็เลื่อนชั้นเป็นทุติยฌาน จิตก็เป็นทุติยทานขึ้นจิตก็บสบายเพิ่มขึ้นจากนั้นพุทโธก็ไม่ต้องนึกแต่ว่าจิตก็เป็นหนึ่งได้แต่เป็นหนึ่งกงง็หลายครั้งหลายคราวมีห้าครั้งติดครั้งหรือว่าร้อยครั้งเป็นตน้ตนก็ได้บังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วปีติก็หายไ ป, ป, ป, ป อันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกับคนที่เคยไม่เคยได้เงินล้านแต่พอได้เงินล้านมันก็อิ่มใจเยอะเกินแต่หากว่าต่อไปก็ได้อีกล้านสองล้านได้อีกมากล้านแค้ความอิ่มใจมันก็เลยไม่เอ้ความเอิบอิ่มก็เลยไม่มีเพราะว่ามันเคยไปแล้วมันไม่เหมือนกับได้เงินล้านครั้งแรก มีท่านเปรียบเหมือนกันกับตะกิญชานชั้นสามจะตุทะฌานนั้นผู้ที่ในบำเป็นเป็นอุปจารสมาธิมีจิตใ จ, จมั่นคงแข็งแรงม่ต่องเนตุโธจิตก็สงบได้แล้วก็สงบมากเส้นด้วยนับน่งนับร้อยนับพันครั้งที่จะสงบลงไปเมื่อเป็นเช่นนั้น เ่ความสุขความโปิดอิ่และความสบายหหายไปหมดเหมือน ก, นกันกับคนที่เป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีแต่เป็นมหาเศรษฐีเงินนั้นไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนแต่ก่อนก็ไม่เคยมีแต่พอเป็นเศรษฐีขึ้นมาวันหนึ่งเงินก็มานับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเรียกว่ามหาเศรษฐีเมื่อเป็นเช่นนั้น ความสุขความสบายด้วยการมีเงินด้วยการมีเงินนั้นก็หมดไปเหลือแต่การวางอุเบกขาเพราะฉะนั้นในจตุพยานจึงมีองค์สองคือเมตตและคืออุเบกขากับเอกขตามีความวางเฉยไวเช่นนั้นคือวางเฉยเพราะเหตุว่าจิตมันเข้าขั้นแล้ว บางคนพากันเข้าใจว่าฉันทำม า, าชั้งเก้าปีสิบปีทำไมมันไม่เหมือนปีเหมือนปีแรกตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วจากชั้นหนึ่งคือปฐมฌานถึงจะมีความเอิกอินพุทธิฌานนั้นก็ยังมีความสุขอยู่นะมีความปีติมีความเอิกอินมีความสุขอยู่ แต่ไม่ต้องนึกคุดโธไม่ต้องบริกรรมอะไรจิตมันจะอยู่ได้ถึงปัจจิยชนนั้นไม่ต้องบริกรรมแต่ความปีติก็ไม่มีมีแต่ความสุขสบายพ อ, อถึงชั้นที่สี่จริงๆแล้วความสุขสบายก็าหายหมดเหลือแต่ความเป็นอุเบกขาคนทั้งหลายท่ากันไม่เข้าใจข้อนี้จึงเข้าใจผิดว่าทาไม เราทําแล้วทําไมมันไม่อิ่มเหมือนแตก่อนแบบอิ่มได้เมื่อจิตมันเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงขั้นนี้เราเรียกว่าชั้นสี่การดําเนินจิตมาเช่้นนี้นั้นถือว่าเราได้ผลแล้วเรามีผลแล้วชั้นทั้ ง, งหลายอย่าพากันตกโกรธตกใจในเมื่อเวลาที่จิตมันไม่เป็นสมาธิ เพราะสมาธินั้นมันก็เหมือนกับเปรียบเหมือนกันกับอาหารอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารนั้นเป็นส่วนที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายเท่านั้นส่วนที่จะไปเป็นเนื้อหนังนังสาหรือจะเป็นวิตามินโปรตีนต่างๆนัน้นก็จากอาหารเหมือนกันแต่มันย่อยไปแล้ว เหลือแต่กากถ่ายทิ้งไปอันนี้เป็นราอเปรียบเทียบสมาธิท่านจะได้มาจากปฐมฌานได้มาจากพุทธยฌานได้มาจากปฏิฌานได้มาจากจตุฌานเมื่อได้มาแล้วเมื่อฌานมันได้มาแล้วอย่างนั้นมันก็เป็นส่วนเปรียบระดุดเ จ, จอาหารเลี้ยงจิต จิตนั้นเกิดความแข็งแกร่งจิตนั้นเกิดพลังจิตนั้นเกิดกาลังจิตนั้นเกิดกระแสะจิตอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องการเหมืยนกันกับเราเลี้ยงเด็กเราต้องการให้เด็กโตขึ้นแม้ว่าการให้อาหารก็ให้อยู่แต่ส่วนที่เราต้องการนั้นอยากให้เด็กโตขึ้น เหมือนกันกันกบจิตที่เราพากันฝึกฝนมาเป็นตน้นเมื่อเราฝึกฝนมาเสร็จแล้วสำทัญที่สุดที่เราต้องการก็คือพลังจิตเราเลี้ยงลูกของเรามาเมื่อเราได้ลูกใหม่ๆนี่มันก็รู้สึกสงใจหนักหนาในลูกคนแรกในลูกใหม่ๆก็เออหินใจ พอโตขึ้นโตขึ้นจะอินใจขึ้นมาอีกพอโตขึ้นมันจะชักจะไหนความรักมันก็เปลีป่ยนแปลงไปเมื่อลูกนั่นแต่งงานมีบ้านมีเรือนไฟก็วางเป็นอุเบกขาเหมือนกันกันกบผู้ทท่ได้จะติดภยชาญเมื่อทาสมาธินานมานานมาในที่สุดก็มีแต่อุเบกขาในเอกะกพนา วันวันกันกับลูกของเราไปแต่งงานแล้วก็วางเฉยเสียวางรักความเอออิมนมันก็ไม่เหมือนกับเราใน ย, ยังเรามีลูกให ม, ม่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าที่เราจะตกใจว่าทำไมการทำสมาธิอันดับแรกจนจะทำมาถึงสมาธิอันดับนี้จึงไม่เห็น มันเ อ, อื้ิ่มเหมือนแต่ก่อนความจริงนั้นสมาธิมันก็เ อ, อือิ่มแต่มันเ อ, อือิ่มคนละอย่างคือเ อ, อือเอื้ิ่มแบบวางเฉยเหมือนกันกันกบบิดามนนารดาที่วางเฉยต่อลูกที่แต่งงานไปแล้วก็ดีใจเหมือนกันแต่ดีใจคนละอย่างกันจะติดไถ่ช้างก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่บำเพ็ญมาแล้วได้ประสบพบความเป็นเอกคตาเป็นผู้ที่ได้ดำเนินจิตทั้งตนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้เยอะแยะมากมายนักทั้งไม่ทวนแล้วมันก็กลับกลายมาเป็นพลังจิตอันนี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เรามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้ มันเป็นเช่นนี้จิตอันนี้นั้นจะไม่ยับยังอยู่เพียงแค่นี้มันจะเกิดความละเอียดลงไปละเอียดลงไปจะกะทําไม่ ม, มีตัวมีตนหายวักไปเลยอันนั้นยังมีผู้ที่เขาบำเพ็ญฌานทั้งหลายพวกที่ต้องการฌานเขาก็ทำอย่างนั้นทำหนวดจิตให้ว่างไปอย่างนี้ก็เป็นอาการ ว่างเปล่าหรือกำหนดจิตไว้ให้รู้อย่างเดียวอย่างนี้้าเรียกว่าเป็นอากาศว่างเปล่าหรือกำหนดเม็ดหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้จะเรียกว่าหายหวับไปเลยหรือกำหนดจนกระทั่งสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่คือเรียกว่าหมดเปลี่ยงหายไปยิต ก, ก็ไม่เจ็บฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้นเสียงอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยิน นี่ก็เรียกว่ า, ารูปปัจจานารูปปัจจานจึงมีสี่ชั้นเืออาการสานัญจาจตนาฌาอาการว่างเปล่าวิญญาณัญจาจตนาฌามีแต่ความรู้อากิรจัญญาจตนาฌานิดหนึ่งก็ไม่มีแนวสัญญาณสัญญาจตนาฌาสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เรียกว่าหมดหมด ความที่จะต้องเข้าไปถือว่าเป็นอะไรแต่พวกฌานเหล่านี้นั้นเป็นโลอิยะไม่สามารถจะกําจัดกิเลสได้ถ้าใครได้ไปก็เข้าฌานสมาบัติได้นั่งทำตัวแข็งๆได้เนี่ยบางทีเขาทดลองถึงกับว่าเอาเข็มมาแย่ก็ไม่รู้สึกเอาเอาเสียงกลองมาตีก็ไม่รู้สึก เอกเรียกว่าเป็นพวกอรูปฌานที่เป็นเช่นนั้นมันก็ดีอยู่ดอกเพราะถ้าหากว่าตายไปแล้วก็ไปเกิดมีชั้นพลมมีอายุมากกว่าเทวดาสิบเท่าอย่างเทวดาอย่างนี้มีอายุห้าพันปีแต่อย่างชั้นพลมอย่างนี้มีอายุตั้กับนับไม่ทวนแต่ว่าเมื่อหมดฌานแล้ว ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกแล้วก็มาบำเพ็ญกันต่อไปอีกก็เรียกว่ายังไม่ถึงพระนิพพานได้ส่วนการที่มาบำเพ็ญวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาเป็นความตัดจาร้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดจาร้ในวันมิสขะเห็นเดือนหก อยู่ภายใต้ต้นโพธิอาจาจะพฤกษ์หรือเรียกว่าพุทธคยาพระองค์นั่งสมาธิอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตางสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการําเพาะวิปัสสนาอริยสัจเมื่อพระองค์ได้จสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ใช่ทรงหวงธรรมไว้แต่เฉราะพระองค์เท่านั้น ทรงจำแนแกแจกจ่ายธรรมะดีไปยังโวงคนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือเป็นคน ม, มั่งมีพระองค์จะเสด็จไปโปรดพระเหตุนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระคุณอันใหญ่ถึงสามประการคือพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณและพระมาหาการุณาคุณพระปัญญาคุณนั้น คือพระองค์ทรงมีพระปัญญาปีชาสามารถรับรู้จกากภุมอในสัยใจคอของสัปปะสัตว์ทั้งหลายทรงแสดงทำให้ถูกกัจริรติสัยแล้วเพื่อทําให้ผู้คนเหล่านั้นได้สําเร็จนักผลธรรมพิเศษจํานวนมากมายขั้นปฏิสุทธิ์ที่คุณนั้นคือเมื่อพระองค์ได้กัจจเรู้แล้วพระองค์ก็กําจัดกิเลส อันเป็นเครื่องสงมองมีราคะความกําหนัดยินดีโทรศัควาโมโกรธโมหะความหลองออกไปจากจิตพระองค์ลยสิ้นเชิงอันนี้พระองค์ก็มีจิตอันบริสุทธิ์เรียกว่าพระปริสุทธิ์ที่คุณพระมาหาการุณาคุณนั้นคือเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้แล้วพระองค์ก็มิได้ทรงหวงัำไม่แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้น ทรงจำแนกแจกจาก่ายทำให้ควมพระองค์เปยังภููิจนทั้งหลายไม่เลือกบ่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือ ว, ว่าเป็นคนมนั่งมีจะเป็นพรราชาหาคัสสติภะพดีพวกข้าประชาชนย่าจบคนนี้พวคนขัวทานที่ใดก็ตามเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ามีนิสัยมีวาสนาแล้วพระองจะเสเด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้น ได้บรรลุมรสนธรรมพิเศษตามฐานา น, โนโรุรูปเมื่อพระองค์ปฏิบัติทาฤกิจอยู่เช่นนี้ก็ปรากฏขึ้นเส้นพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี้เองที่ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนางาจนจนกระทั่งถึงวัดนี้วิปัสสนา เป็นความปัจจรู้ของพระองค์นีปั ส, สนานั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้แห่งเดียวเท่านั้นได้ในคำที่พระองค์ทรงยืนยันว่าอากาศเสวะปะังนัตติสมณโนนัตถิภาหิโรนกบินไปในอากาศไม่มีรอยสมณะภายนอกพระพุทธศาสนาไม่มีสมณะนั้นหมายถึงสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบัน สมณนาที่สองได้แก่พระสกิทาคาสมณนาที่สามได้แก่พระอนาคาสมณนาที่สีได้แก่พระอรหันต์สมณาทั้งสี่นี้เองที่จะเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาจากวิปัสนาวิปัสนานั้นได้แก่อะไรวิปัสนานั้นได้แก่ความรู้แจ้งและเห็นจริงความรู้แจ้งและเห็นจริงเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจอริยสัจคืออะไร ทุกสมุทัยในโลกมัก้นทุกได้แก่อะไรความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นผู้เกิแก่เจ็บตายร่างกายที่เราปรากฏอยู่นี้แหละเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายคนเราก็มีร่างกายนี้เป็นตัวประสานงานทําให้ก่อให้เกิดกิเลสถ้าไม่มีร่างกายมีแต่จิตใจนี้ก็ไม่มีตัวประสานงานที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่างๆ แม้ฉะนั้นร่างกายอันนี้จึงเป็นตัวเหตุตัวหนึง่งที่จะทำให้คนหลงไหลด้วยเหตุดังนั่นวิปัสสนาจึงให้พิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นจริงแจ้งไวะจับลงไปโดยเป็นปัจจักสิตโดยการที่จิตนั้นมีพลังเมื่อจิตมีพลังเกิดกระแสเมื่อเกิดกระแสกระแสนั้นก็เหมือนกระแสไฟ อาจจะมีห้าแรงเทียนสิบแรงเทียนร้อยพันอื่นแรงเทียนวันเสว่างก็แตกต่างกันไปเมื่อจิตนั้นมีกำลังแก่กล้าเป็นวิปัสสนสามารถจะบำเพ็ญวิปัสสนาได้แล้วก็พิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นริงแจ้งประจักษ์เมื่อเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็เกิดนิพพิยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของตอนเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อใจ เมื่อ น, นั้นก็ถือว่าได้ถึงแล้วซึ่งวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณนั้นเป็นญาณที่เรียกว่ามีแต่เป็นญาณที่อยู่ในชั้นสูงอันนี้กำจัดกิเลสไม่เหมือนกันกันกบฌานฌานนั้นเพียงแต่สบายเท่านั้นแต่กำจัดกิเลสไม่ได้ส่วนวิปัสนานี้เป็นส่วนกจัดกิเลส ในการที่จะทำตนของตอนให้เป็นพระอาริยะบุคคลเมื่อพิจารณาวิปัสสนาได้แล้วก็จะเป็นอริยะบุคคลได้การพิจารณาวิปัสสนานั้นทาวิโตภะหุลีกโตต้องเจริญให้มากเกิดทำให้มากเจริญให้มากเพียงใดจะทำให้มากเพียงใดนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้นั้น เมื่อบุคคลผู้นั้นมีในความสามารถมากก็สามารถอิจฉาบรรลุได้แม้ในชาติตัจจุบันแต่ถ้าหากวกความสามารถมันยังไม่พอเพียงยังไม่ถึงผู้นั้นถึงแม้จะไม่ได้สำเร็จในชาตินี้ต่อไปก็จะอีกไม่กี่ชาติจะได้พบคุณจะได้พบความสำเร็จเพราะฉะนั้น วิปัสนาณ์นั้นควรค่าแก่การศึกษาควรค่าแก่การศึกษาก็เพราะเหตุที่ว่าเป็นหนทางกาจัดอิเลสเมื่อพูดกันโดยย่ อ, อ ก, ก็คือพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นจริงแจ้งประจับลงไป็นกระทั่งเกิดวิตรพยานความเดืองหนขงาขึ้นมาเพียงเท่านี้วิปัจนาไม่มากอธิบายเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้ แล้วเราจะทําได้หรือไม่อยู่ที่ตัวของเราว่าจะเกิดพิพิธยานขึ้นมาได้ไหนพรานิพิพิธยานนั้นเกิดขึ้นมาจากการพิจารณากายกอเพียงแต่ความต้องการถึงจะเกิดพิปัจนาญาขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาไม่เห็นจริงแก้งไปจากนั้นเกิดพิพิธยานขึ้นมาไม่ได้เมื่อเกิดไม่ได้เร า, รารพิจารณาไายกับพิจารณาไพลจะเฉยๆอย่างนั้นเอง ไม่ใช่ริปัสนาแต่ถ้าเกิดวิจิตรยานขึ้นมาเมื่อไรหร น, นั่นจึงจะเรียกว่าเป็นริปัสนาเมื่อเกิดวิจิตรยานขึ้นมาได้แล้วเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะดำรนินให้มากจะทำให้มากแต่จะอย่างไรก็ตามทุกคนสามารถที่จะดําเนินริปัสนาได้ควรที่จะต้องวางรักษาริปัสนาไว้ให้แก่ตนของตน ถึงแม้จะไม่เป็นวิปัจนาญาณแต่ก็ถือว่าเป็นวิปัจนาก็ยังถือว่าเป็นการที่ยังจิตของเราเข้าสู่ทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพิจารณาถึงความเปิดความดับร่างกายนี่เกิดมาแก่แล้วก็ตายไปนังที่พะท่านตรวจว่าอัยังโธเมกาโยตายของเรานีแล ติดทางาตาชะตาเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโกเกสามัตตาเรื่อง่ำแต่ตลายผมลงไปไชจะปริยันโตเยหนังหุ้มหนูเป็นที่สุดรอบุโรโนานักปรารกษาจินโนเป็นไปดึกของไม่สะอาดมีพฤตการต่างๆอธิมัสนิจตายเยอยู่ในกายนี้ ทัดดังที่ได้กล่าวแล้วกายนี้เป็นตัวประสานงานถ้าไม่มีกายนี้ก็จะไม่มีตัวประสานงานกิเลสก็ไม่เกิดแต่ถ้ากายนี้มีตัวประสานงานมีกิเลสก็เกิดเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสก็ต้องดับลงไปที่กายนี้เพราะกายนี้เป็นตัวประสานงานแค่ต้องเอาตัวประสานงานมาพิจารณาเติมให้ความหวาหน้ำ ที่มันตักอยู่กองไหนเราก็บ่งลงตรงนั้นมันคันตรงไหนเราก็เตาลงไปตรงนั้นมนก็หายคันน้ำอยู่ที่ตรงไหนเราบ่งลงไปตรงนั้นหน้ำมันก็ออกตัวประสานงานคือร่างกายอันนี้เยอกว่เป็นตัวประสานงานเราก็พิจารณาร่างกายอันนี้ให้เห็นจริงแจ้งจะจัด่นกระทัาเกิดพิธิภิญยานความเบือหน่ายอันนี้จะเรียกว่าวิปัชนา ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ยังเหลืออยู่ที่ว่าพาวิโตการจเจริญให้มาพระภูดีกโตก็ทําให้มากอภิญญาจะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสโพอทยายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทต่อไปนี้ก็นั่งสมาที่เป็นต่อ